ั้งกลับนำ้ำมาสการหลวงพ่อแล้วก็พระเถระทุกรูปพระภิกษสุสา ม, มเณรแล้วก็สวัสดคีคุณแม่ชีแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะก็เท่าที่ฟังมาก็ก็ต้องขอพระทิ้งพท้าอาจารย์ประพันธ์เหมือนกันไปเก็บอารมณ์ที่คุณห้อยสวรกับหลวงพ่อนี่ก็ก็ก้กาวหน้าในตัวเองนะคะระดับหนึ่งแล้วก็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 แต่ก็เป็นจะพูดออกจากใจว่ารักท่านเหมือนพ่อนะครับก็อยากจะพูดอย่างนี้แหละนะครับที่ไม่ได้ไปเจ็บปารมกรมัมลงพอก็คือเราทำจิตตรงไหนที่ให้เป็นเขาเรียกว่าชุมชนนั้นได้ประโยชน์แล้วก็ที่สุดก็คือของเราด้วยเราก็ไม่ได้ไปนะครับก็มีโยมมาปฏิบัติแล้วก็มีพระมบวชใหม่